ก็ขอโมทนากับพวกเราเนาะที่ได้ตั้งใจในการฟังวาทธรรมกันก็พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอภปานิยธรรมนะทำที่ไม่เป็นที่ตั้งเห็นความเสื่อมเจ็ดประการในอังคุตรนิกายนะในสัตตการิบาตที่บอกว่าสัตว์ถูกคารวตาความเป็นผู้เคารพในภาษาสดาธรรมะคารวตาความเป็นผู้เคารพในพระธรรม สังฆาคาราวตาความเป็นผู้เคารพในพระสงฆ์สิกขาคาราวตาความเป็นผู้เคารพในศิกขาสมาธิคาราวตาความเป็นผู้เคารพในสมาธิกัลยาณมิตรตาความเป็นผู้มีกัลยาณมิตรประการที่เจ็ดก็คือโสวะจัสตาความเป็นผู้ว่างไงในเจ็ดประการนี้นะย่อมมีได้ด้วยความไม่เสื่อม แห่งปฏิพันธ์เพราะเหตุนั้นนั่นเองเนะในการที่เราท่านทั้งหลายศึกษาพระธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยบุญที่เกิดขึ้นจากการศึกษาพระธรรมเนี่ยนียและในขณะเดียวกันเราก็เป็นผู้ที่ตั้งมั่นในวัตถุทั้งสคือพุทธรัตนธรรมรัตนและก็สังฆรัตนะซึ่งเป็นรัตนะเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสเป็นบุญอันเลิศพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าการบูชาการศึกษาพระธรรมคําสอนของผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ย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 ถามว่าบารมีทั้งศประการนี่หนุนอะไรก็ต้องบอกว่าหนุนโพธิปกักธีธรรมฐานบารมีศีลบารมีเนกข ม, มารปัญญาวิริยะคันติสัจจะที่ฐานน่เมตตาแล้วเบคาจะเป็นตัวหนุนสติปัฏฐานสมปัติฐานอิทิบาทอินทรียีพระละโพชงแล้วก็อริยามรรคมีองแปดใช่ไหมสรุปก็คือเป็นตัวหนุนสิกขาสามนั่นเองคือศีลสมาธิปัญญาให้ศิกขาสามกล่าวคือศีลสมาธิปัญญานั้นมีความแข็งแรงมากขึ้น และในที่สุดจริงๆนะเมื่อบารมีต่างๆเหล่านี้มีความแข็งแรงมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทานศีลเนคขมะหรือปัญญาเป็นต้นเหล่านี้แข็งแรงมากขึ้นก็เป็นการเพิ่มทำให้สิกขาสามกาวคือศีลสมาธิปัญญานั้นไหลเข้าสู่กระแสของนามธรรมนะก็คือกระแสของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เจตนาก็ชื่อว่าศีลเจตสิกก็ชื่อว่าศีลสังวรก็ชื่อว่อาศีลอวีติกมาม ก, การไม่ก้าวร่วงก็ชื่อว่าศีลกลุ่มนี้คือกลุ่มอะไรกลุ่มสังขารละขันใช่ไหมกลุ่มสังขาระขรันเหล่านี้ก็ถูกแวดล้อมเด้วยเวทนาขาันสัญญาขาันสังขารขารันและวิญญาณขาันขันเหล่านี้ตั้งอยู่ตรงไหนฮัตยวัตถุเป็นต้นเนาะฮัตยวัตถุตั้งที่มหาพุที่เกิดจากกรรมเกิดจากจิตเกิดจากอุตุเกิดจากอาหาร ลองคิดดูนะักระแสขันทั้งรูปและนามเหล่านั้นเนะี่ยที่มีศิกขาสามเป็นตัวหนุนเนื่องและมีบารมีรำเป็นตัวหนุนเนื่องด้วยจักผ่องใสสักเพียงใดเนะก็มาพิจารณาอย่างนี้ก็จะเห็นคุณของพระรันไตไนตรัยนี่ไงการที่เรามีพุทธรัตนะธรรมรัตนะและก็สังขรัตนะเนี่ยเป็นสาระเป็นจุดหมายเป็นที่พึ่งเนะีเป็นอัธยาศัยจึงจึงน่าคิดมาก ฉะนั้นอัธยาศัยของเราท่านทั้งหลายที่ตั้งไว้ดีแล้วเนี่ยต้องเพียรพยายามนะถ้าการเดินบรารมีนะั้นต้องเดินด้วยความอดหารล่าเหลึงลองและผ่องใสเดินได้จิตที่มุ่งมั่นไม่ใช่เดินได้จิตที่เงาหงอยเศร้าซ้อยใช่ไซึ่งเป็นอกุศลจิตเราจะเดินบรารมีธรรมทั้งหลายด้วยกุศลจิตถึงแม้จะเป็นอุเบกขาก็เป็นอุเบกขาที่น่าชื่นใจใช่ไหมเพราะเป็นอุเบกขาที่เป็นไปกับสัตทินรีใช่ไหมมีสัตทินรีเป็นประธาน ถ้าสตินีเป็นประธานนิปัติโมกสังวรศีนไม่ต้องพูดถึงใช่ไหมแข็งแรงอยู่แล้วถ้าสตินีเป็นประธานไม่ต้องพูดแล้วอินเดียสังวรศีลก็แข็งแรงถ้าวิริยินียนะเป็นประธานใช่ไหมอาชีวปริสุทธิศีนก็ผองแผ้วถ้าปัญญินรียเป็นประธานปัจจยสันนิสิตาศีนก็น่าเชื่อถืออย่างมากเลยใช่ไหมจะต้องแข็งแรงมากฉะนั้นในที่สุดจริงๆก็คือประกอบศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาก็คือว่าอินทรีห้า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 ถึงแม้ยังเป็นโลกีศาสนคมแต่ก็เป็นโลกีศาสนคมที่น่าที่่นาทึ่งน่าทึงา่งก็คือว่าไม่เศร้าหมองใช่ไหมเป็นศาสนะที่ไม่เศร้าหมองเป็นศาสนะที่ไม่ขาดจะขาดจริงอยู่ก็ขาดตรงขณะจุติจิตแต่อัธยาศัยภายในที่เราสั่งสมอุปนิสัยปัจจัยไว้ไม่ขาดถึงแม้จะไปอยู่ในภพใดชาติใดเนี่ยอัธยาศัยในการน้อมหาศาสนาจูดแรงมากทําได้ไหมละ่ะ ทำยังไงให้มันหนุนเนื่องลงพวังได้อะใช่ไหมฮะในพวังถ้าเป็นสมนัสได้เป็นอุเบกขาอะไรก็แล้วแต่จะเป็นหมายบาคใช่ไหยแต่ในพวังนั้นมีอะไรเป็นอารมณ์ถ้ามีพุทธคุณเป็นอารมณ์เราจะจ ะ, จะน่าชื่นใจขนาดไหนใช่ไหมฮะเออถ้ามีคุณของพระเจ้าหรือมีอัธยาศัยที่เราตั้งไว้อะเีอัธยาศัยที่เราตั้งไว้นเป็นอารมณ์จะน่าชื่นใจขนาด ฉะนั้นกลุ่มบุคคลทั้งหลายที่ต้องการจะเดินบรารมนะีไม่ว่าจะเป็นสาวะกะก็ดีปัจเจกะก็ดีหรือส ม, มาสมพุท ธ, ธาก็ดีนี่อันนั้นคือเส้นทางในการที่เราท่านทั้งหลายจะเดินเพื่อการตัสรุตามพระธรรมคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าฉะนั้นการที่จะตัสรุตามพระธรรมคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้หรือไม่ได้นั้นต้องพิจารณาตรงนี้เนี่ยถ้าหาพิจารณาไม่ดีเนี่ยเราจะไม่เข้าใจมีใครลงว่า มีใครลงแทนได้ปะ่ะไม่ใช่ดูว่าพระเขพอกันหรือเปล่พาพระเขพอกันหรือเป่า พ, พอถ้า ง, งั้นบอกอลาได้เนาะมาติดบรรยายธรรมเนาะอ <c oughs> ดีว่าตีลาเกง <c oughs> ่งใจแทนเก่งใจแทน แ็่เดียวว่าเป็นงานมันเป็นงานส่วนรวมเลยเรื่องการอุปสมบทก็ตรงนี้ก็ก็ฝากให้เราท่านทั้งหลายได้ใคร่ควรและพิจารณานะรว่าเออนี่เป็นไปในลักษณะอย่างนั้นเดี๋ยวจเปิดพัดลมเดวนี้หน่อยดนเปิดแค่ตัวสองพอจเปิดตัวสองอ ฉันตรงนี้ก็คือว่าให้พิจารณาบอกว่าการที่เราบูชาพระรัตนตรัยใช่ไหมโยบูชาพระรัตนตรัยเนี่ยในคาถาซึ่งซึ่งอาตมาเนี่ยชอบคาถานี้ค่อนข้างเยอะในของอาตกถาของสมัญตาปาสาจิกาที่ท่านนอบน้อมค่อนข้างจะสาธยายบ่อย ที่บอกไว้โยกาปโกติฮิียาปมยังการังกรุนโตอิดูก k รา n ีเคดังกะตโธโรกัหิตายนาโทนาโมมหคารุนิกิสสากัสสตาสาอาสัมพุทังพุทธนิเสวิตังยัง บ่าวพะวงขจิติชีวโรเกนโมอวิชชาธิกิเลสชาลาวิทังสิโนธรรมวรัตสาตัสสาคุเนหิโยสีรสมาธิปัญญา วิมุตติญาณะปภูติิยุตโตเขตตัณหางกุสรังกุสราธิกาังตัมมะริยสังังสิระสานามามีนี่ในสมันตะภาสาทิกาท่านพระอธกถาาจารย์ท่านบอกว่าข้าพระเจ้าขอถวายนมสการแด่พระนาถาพระองค์ใดผู้ประกอบไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อวานนี้พูดถึงในเรื่องของตอนที่สาธารณาสมุทฐานกับอาสาธรณสมุทฐานโดยเฉพาะเป็นอัจฉติกะนะสาธารณาสมุทฐานที่เป็นสมุทฐานภายในของท่านที่เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาทิคุณตักเตือนท่านเหตุที่มหากรุณาทิคุณตักเตือนของท่านพระโพธิสัตว์คือพระมหาโพธิสัตว์เนี่ยเพราะว่าท่านประกอบบารมีสิบเวนในตนแล้วก็ประกอบสัตว์เวนในตน ละในบรรดาบารมีเหล่านั้นท่านขับเคลื่อนด้วยปัญญากับกรุณาฉะนั้นเมื่อมหากรุณาของท่านเนี่ยแรงมากเนี้ยถามว่าทําไมท่านถึงมีอธัธยาศัยในการที่จะขนสัตว์หรือสัตว์เพราะท่านก็เห็นความทุกข์ของเราท่านทั้งหลายเนี่ยที่เราท่านทั้งหลายจมอยู่ในชาติทีทท่ทุกข์ชราทุกข์พยาธิทุกข์แล้วก็มรณะทุกข์เป็นต้นบุคคลพวกนี้เป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่มากที่คิดขนาดนั้นนี่ย อามา manually ที่ว่าพรมเนี่ยที่ในสุดทาวาสเนี่ยที่ท่านเหลียวมองสัตว์โลกในหลายจักรวาลที่ท่านมองเห็นเนี่ยเอ่ทุกบุคคลเนี่ยท่านผ่านในสายตาท่านหมดเลยแต่ท่านจ้องดูมานพหนุ่มที่แบกแม่ข้ามมาท่านก็รู้เลยว่าท่านผู้นี้จิตใจอาถรรพ์ท่านเลือกเลยพอเลือกไปเสร็จท่านกระตุ้น เป็นอุปนิสัยปร จ, จัยท่านให้บุรุษทั้งนี้โดยการที่เทวดาดนใจท่านที่ท่านมีความลักมารดาเป็นชีวิตจิตใจแล้วเนยท่านก็ตั้งอัธยาศัยเห็นไหตั้งตั้งอัธยาศัยฉะนั้นในกรณีที่ท่านแบกมารดาแบกเลยท่างท่านเหล่านั้นน่ถ้าพูดไปแล้วก็คือท่านเกี่ยวข้องกันในด้านของบารมีด้วยเลยท่านเกี่ยวข้องในทางด้านบารมีให้สังเกตดังที่ได้กล่าวว่าคนที่จะเป็น พ่อก็ดีเป็นแม่ก็ดีเป็นญาติมิตรต่างๆของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายนเนี่ยเนี่ยเอาเป็นสาวกเป็นมหาสาวกเป็นอาคลสาวกนเนี่ยนะหรือเป็นสาวกต่างๆในระดับต่างๆนี่เนี่ยบุคคลเหล่านี้คือกลุ่มบุคคลที่ตั้งอธิยาสัยแล้วพระโพธิสัตว์ท่านไม่ลืมเลยท่านเก็บเกลี้ยงนะมหมดออบรรลุมหมดเออบรรลุหมดทั้งบอกว่าการการที่บุกต้องต้องยอมรับว่า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 คอให้ท่านเหล่านี้เอาคุณลุยบารมีเข้าใจใช่ไหมมาจนถึงมาพร้อมกันเนี่ยต้องมาดูเอ๊ะประเทศบุคคลที่จะไปเกิดใช่ไหมการเวลาเยอะแยะหมดใช่ไหมแล้วอัครส า, าวกและบุคคลที่สร้างบุญบา ร, รมีมาไหลกันไหอย่างไม่ธรรมดาเลยจะไปตัดสรุในยุคที่เป็นอคณะได้ไงไม่ใช่มันยังยุคที่เขพร้อมใช่ไหม แล้วเมื่อพร้อมช่วงไหนต้องลงมาพร้อมช่วงนั้นด้วยใช่ไหมเม่าช่วงแปดหมื่นปีเขาท่านก็นลงมาแปดหมืนช่วงนี้พร้อมร้อยปีเป็นอายุขัท่านก็นลงมาช่วงร้อยปีพอร้อยปีเป็นอายุ ข, ขัยในการทํางานของท่านลองคิดดูดีแทบไม่ได้รับไม่นอนเลยอ่ะไม่ได้พักเลยเอางั้นถเถอะนะเพราะว่าอายุช่วงสั้นมากแล้วจะต้องขจรกระจายพระธรรมเนี่ยนั่นไงคือพระพุทธเจ้า พระมหากรุณาที่คุณทุกลมหายใจเข้าออกผูกสัตว์ไว้ในต น, นนั่นคืออัธยาศัยแล้วก็บา ร, รมีสิบไว้ในตนเดินก็คือต้องเดินลาบากก็คือต้องลาบากเก็บอะต้องเก็บให้หมดนั่นคือกิจใช่ไหมกิจใดที่พระศ า, าสดาได้ทาแล้วกิจนั้นพระศ า, าสดาทำเสร็จสิ้นแล้วแกเธอทั้งหลาย ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างนั่นล้อมฟ้าใช่ไเธอจงไปเพ่งพินิษ์ทั้งอารมนูปนิชาและลัคนูปนิชานเนเธอจะได้เป็นผู้ไม่เสียใจในภายหลังใช่คือพระศาสดาท่านทำเสร็จแล้วท่านนึกจยปรินีผ่านเหลือกิจของพวกเราฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยผู้เป็นนาถานเนี่ยนะมีพระมหากรุณาธิคุณผู้ทรงกระทาซึ่งกรรมทั้งหลายที่ทาได้ยากยิ่งนะัก ถามว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เอาบา ร, รมีสิบอุปปา ร, ปรมีสิบและประมัาทบา ร, รมีสิบเนี่ยถามว่ามีใครบ้างเนี่ยอาจหารจะทํากรรมประเภทเนี้มีใครบ้างงั้นบุคคลเหล่านี้นะ่ะควรถวายชีวิตให้ท่านใช่ไหมใช่เพราะไม่ใช่เป็นบุคคลที่คิดในเรื่องธรรมดาไม่ได้คิดเพื่อตนเองใช่ไหมถ้าอยาคิดเพื่อตนเองเนะี่ยแต่จะรู้เมื่ออไรก็ได้ เพราะอย่างที่กล่าวเมื่อวานเนี้ยวิปัสสนาญาณของท่านเนี่ยเดินคล่องมาท่านเดินมาถึงประตูไม่รู้กี่ล้านรอบแล้วแต่ทําไม่ขันไม่เดินผ่านธรณนนีประตูเข้าไปเพื่อบรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นตน้นแคนั้เนเองวิปัสสนาญาณของท่านเนี่ยคล่องแคล่วไม่รู้จะคล่องแคล่วยังไงแล้วห้ามใจไม่ให้บรรลุเนี่ยห้ามยากแค่แตถ้าไม่มีกรุณาจริงๆนะดึงปัญญาไว้ไม่อยู่หรอกปัญญาก็ตัดกิเลสเป็นสมุเทเฉติปหารไปตั้งนานแล้วใช่ไหม ต้องมีกรุณากษัตริย์ต้องผูกสตัตว์ไว้แน่นปึ๊กเลยไม่ใช่แน่นธรรมดานะหนึ่งในนั้ น, นคือผูกเราเนี่ยวาก็อย่างพูดเมื่อวานนี้ใช่ไหมเราพระพุทธเจ้ามาตรัสถ้ารวมๆคานวณคํานวณดูอย่างที่ท่านพระอัจริยะาจารย์ท่าดีกาจารย์ท่านรวบรวมเอาไว้เนี่ยประมาณแปดสิบสี่สงไขยมีพุทธเจ้าหมดเลยแต่เราลอดมาเฉยเลยเงี้ยที่ผ่านมาเนี่ยลอดไม่ได้ยังไง รอดขายพยานเงี้ยไม่ติดเลยไม่ไม่ไม่ติดพุทธายันขององค์พระองค์เลยเนี่ยอันนี้คือเราสัตว์มีบาปแท้เลยอ่ะที่ผ่านมามั้งต้องรู้เนื้อรู้ตัวให้ดีตรงเนี้ยถ้าอย่างนั้นเราก็จะนั่งประมานต่อไปเนี่ยนะแสดงว่าเราไม่ได้ตั้งอัธยาศัยอะไรไว้เลยตั้งก็ตั้งเบามากนี่เราก็ต้องตั้งมาอาจจะตั้งเป็นรอบที่อะไรแล้วก็ไม่รู้นี่นะอาจไปลม้มแต่อย่าล้มใช่ไหมตั้งอัธยาศัยเพื่อไม่ให้ลม้ม ตรงนี้ก็คือว่าอันหาประมาณมิได้แม้ด้วยหลายโกรดกลับก็หมายความบอกว่าเป็นกรรมที่ทําได้ยากยิ่งนักตลอดการอันนับประมาณมิได้แม้ลังหลายโกรดกับถามว่าทํากรรมประเภทเหล่านี้ยกรรมในการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าไม่ท้อถอยในการที่จะหยุดปฎิฐานาและการกระทําคนที่ทํากายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่มุ่งมั่นเนี่ยจากการมโนกรรมก่อนพอครบเจ็ดแล้วก็มา กายกรรมใช่ไหมเื่อเป็น ว, จ, รรวจีกรรมเพราะวจีกรรมเบ็ดเสร็จอีกเก้าใช่ไหมครบสิบหก็มาทั้งกายวาจาีและใจอีกสี่สงไข่เนี่ยยิ่งด้วยแสนมากับเนี่ยหลายโกรธกลับอย่างเนี้ยซึ่งถึงซึ่งความลำบากเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์โลกหนึ่งในนั้นก็คือเพื่อประโยชน์แก่เราภาพ พระพุทธเจ้าที่มาตรัสแต่ละองค์แต่ละองค์เ่ยเพื่อประโยชน์แก่เราทั้งนั้นเลยแต่ยังว่านะมันหลอดต้องยอมรับว่าเป็นพันเอามาตาจริงๆไม่ยอมไปริษณีพนันอยู่ยนะบอ โ, โหเป็นพันนี่คงเส้นคงวางยริงนะจะเป็นตอของวัดตากันอยู่แล้วองคทนยังไม่สะดุ้งสะดือนกันเลยใช่ไหมน่ากลัวไหมไม่แต่นี้เอาใหม่นาะ าาก็ะระวนแต่ไม่แน่นะเราอาจจะตั้งยาวๆกันก็นไว้ใช่ไหมถ้าคิดมุมนี้กันวลองคิดดูในใจดูที่เราโพสิความตั้งยาวๆของเราก็ไม่เป็นไรใช่ไหมถ้าตั้งยาวๆก็ขอให้เจอพุทธศาสนาตรงนี้นี่แหละข้าพเจ้าขอถวายนะมาสการด้วยนะพระธรรมอนประเสริฐนั้นที่พระพุทธเจ้าส่องเสพอยู่เป็นนิดถามพระพุทธเจ้านี่ส่องเสพพระธรรมอยู่เป็นนิดฐ์ไหม โลกุตละธรรมนีท่านซ่องเสพอยู่เป็นอัธยาศายขอยงท่านเลยใช่ไหมท่านท่องเสพแล้วไม่มีนิพานเป็นอารมณ์ก็เกี่ยวกับในเรื่องของสมาบัติอื่นๆก็เกี่ยวข้องกับ น, นิพานนะั่นแหละเนี่ยท่านเสพพระสมาบัติเป็นอัธยาสัยของท่านเลยอันขจัดเสียซึ่งขายคือกิเลสมีอวิชชาเป็นต้นนะซึ่งสัตว์โลกเมื่อไม่อย่างรู้ก็ท่องเที่ยวไปสู่ภพน้อยและภพใหญ่เนี่ยเราเนี่ยถูกอวิชชาเนี่ยห่อหุ้ม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 ก็ไปคิดดูเราไปมาหมดแล้วพบน้อยแล้วพบใหญ่ข้าพเจ้าขอถวายนะ้มาสการด้วยเศียรเก้าซึ่งพระอริยสงฆ์ผู้ประกอบไปด้วยคุณทั้งหลายมีศีลสมาธิปัญญาวิมุตติยานัทัศนาเป็นข้ามูลเป็นบุญญเขตของชนทั้งหลายผู้มีความปรารถนากุศลนั้นสรุปแล้วก็คือเมื่อวานนี้พูดถึงในเรื่องของพุทธธรรมสังฆโดยสภาวะแต่ไม่ได้พูดดึงโดยโดยบัญญัติพูดโดยปรมัตสภาวะใช่ไหม พุทธะนั่นสภาวะของพุทธะหรือสัมมาสัมพุทธะนั่นหมายถึงสภาวะที่ตัสรุรุอริยสัจใช่ไม่ใช่เป็นสภาวะเท่านั้นเองเป็นสภาวะที่ตัดสรู้แทงตลอดอริยสัจด้วยการรอบรู้ทุกสัจละสมุทยียส จ, จ่าทำนิโรธสั จ, จ่าให้เป็นอารมณ์แล้วก็ประชุมอริยมรรคเพราะคําว่าสัมมาสัมพุทธะเนี่ย ถ้าเราจะมาหาองค์ธรรมกันจริงๆได้แก่อะไรนะสัมมาสัมพุท ธ, ธานี่องค์ธรรมได้แก่อะไรต้องช่วยหาหน่อยทีสัมมาสัมพุท ธ, ธานี่ใช่ไหมเพราะถ้าว่าสัมมาสัมพุท ธ, ธาก็ต้องเป็นถ้าสูงสุดจริงๆก็คืออรหัตมรรคอรหัตผลใช่ไหมต้องต้องเอาตรงนั้นใช่ไหม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 ผู้มีคุณชื่อว่าพระพุทธเจ้าพระคุณก็คือพระคุณของพระพุทธเจ้าด้วยประการดังกล่าวมา น, นี้ถามบอกว่าพยานเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยความบริสุทธิ์ของของพระองค์เนี่ยเป็นพระคุณของพระพุทธเจ้าถ้าบอกอย่าไปพึงเข้าใจอย่างนั้นเหมือนคําที่เขาบอกพระราชาเสด็จมาก็เป็นอันพูดว่ากองทัพและยานพานะทั้งปวงมาด้วยใช่ไหมชั้นใดก็ชั้นนั้นเหมือนกัน เมื่อพูดถึงความบริสุทธิ์แห่งพระญานบัณฑิตก็รู้ได้ด้วยว่าอารูปขันย์ใช่ไหมอรูปขันย์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในอารหาัาามรักเน่ยมองยากไหมในอาราธัตามรักเนีาาาา่ยอรหัมรัคมีเจตสิกประกอบสามหกเนาะมีเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันย์แล้วก็วิญญาณขันย์ เครืออารมณขันอรูป์ธรรมนามขันสีในขณะกระทำอาราธมักของพระพุทธเจ้าเนี่ยอันนั้นบริสุทธิ์ทีนี้นามขันสีที่สัมปยศกับพยานอารูป์ขันเนี่ยนะแล้วก็ต้องบอกว่าอารมณ์ขันด้วยนะต้องบอกว่ารูป์ขันมีหัตถยะวัตถุเป็นต้นที่เป็นที่ตั้งของนามธรรมนามขันนะนะั่นแหละ ใช่ไหมเพราะว่ารูปกับนามก็เป็นไปด้วยกันอยู่แล้วก็เข้าถึงความบริสุทธิ์ด้วยผ่องแผ้วด้วยหมดจดด้วยใช่ไหมถูกชําระสาสางด้วยถูกทําป ร, ริญญาอย่างรอบครอบด้วยกเกลี้ยงหมดเลยนั้นพยานที่แล่นไปในสิ่งที่พึงรู้อันไม่มีส่วนเหลือคื อ, ร, ร, ร, นน อ, อ, อ, อรูปประคันที่สัมยุญกับพยานเนาะเออเข้าไปแม้อรูปประธรรมที่สัมยุญกับพยานก็ย่อมแล่นไปอย่างนั้น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 ใช้กระนามนสิยการในการคิดในการคิดสาวหาปัจจัยของอารธมักของอาราธผลมองเห็นอย่างนเดี๋ยวนี้เออจะได้เห็นเลยว่าอ๋อปัจจัยของอารธมักปัจจัยของอาราธผลเนะี่ยมีอะไรแต่นเนี้ยจะดูปัจจัยมุมไหนอ่ะปัจจัยในมุมตามลําดับใช่ไหมตามเนตรติปะระกอก็ได้หรือตามคมภีร์วินัยบิดอกเป็นต้นก็ได้ ตามพระสุตตันตปิฎกก็ได้ตามพระพิธรมปิดกเป็นต้นก็ได้นถ้าไปตามอภิธรรมบิดิกนี่นะก็ลายปัจจัยยี่บสี่มาจับได้สี่สิบเจ็ดมาจับได้นะในอนหรหาัตามรักนั้นนั้นอันนี้เป็นเรื่องกว้างเลยแต่นเนี่ยนยีเป็นเรื่องกว้างทุกอย่างที่คิดเพื่อเข้าหามุมแห่งอหรหัตามรักษ์ของพระโรมศาสดาที่เป็นสภาวะพุทธานั้นเน่ยเป็นปัจจัยหล่อเลี้ยงสัตทินีเวรยยิยินทรียสติินทีสมาตินีและปัญญินรีของสัตว์ในยุคปัจจุบันได้มั่นคงมากขึ้น มาชื่นใจนะถ้าเรายิ่งพิจารณาเนะปัญญาก็ยิ่งชัดทีนี้ถ้ามาพิจารณาและประกาศให้ถึงอะไรดีนะการใช้โวหารว่าพุทธคุณจึงใช้ในการที่ความสืบต่อขอ ง, ของความบริสุทธินั่นเองฉะนั้นการที่กระจกเงาใสสะอาดเป็นเหตุให้เห็นรูปการที่ตะเกียงมีแสงสว่างจ้า ก, ก็เป็นเหตุประกาศให้รู้ถึงน้ำมันและไส้ใช่ไความที่จักสุภาษเป็นต้นแจ่ใสดีก็เป็นเหตุให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 แล้วก็ไฟฟ้าเดินสะดวกนี่นะแ้าประกาศอย่างงั้นกรนีเหมือนกันก็คือเกี่ยวข้องในเรื่องของปัจจัยต่างๆนะั้แล้วก็สังเกตอย่างนี้เหตุผลก็คือว่าสัพพยุติขอภัยเกี่ยวนในเรื่องของมัรคยานพล ร, รยานของพระผู้มีภาคจาจนถึงสัพพัญญตยานอนาวรณยานอินทรียาปรโรปริทิยะติยานนี่ไหมมหากรุณาสมาปฏิยานอาศยานุสยายานเป็นต้น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 นั้นต้องมีจุดต่างแน่นอนจึงชัดเจนแจ่มเจ้าแล้วก็มีความมหัศา์ถึงบานนั้นก็บ่งบอกถึงอะไรประทัฐานไม่ธรรมดาแล้วหรือปัจจัยแวดล้อมก็ไม่ธรรมดาเอาดูอย่างนี้ดูปัจจัยที่ยาวนานก็คือบารมีสิบอุ ป, ป, 10, ปาบารมีสิบปรมาทบบารมีสิบยี่สิบประสงค์ขายยิ่งด้วยแสนมหากับธรรมดาหนี่เห็น้นความไม่ธรรมดา ฉะนั้นนะบรารมีเหล่านั้นจะบ่มเพราะโพธิปัจญยธรรมช่ำชองัร ส, สัพันไดโนจะบ่มเพราะศิคาสามให้ให้มีความแข็งแรงถ้าขนาดไหนใช่ั้ยนี่แหละเราจะได้เห็นแล้วความกว้างขวางในการที่นำกระแสขันของสัตว์มันมาวิจัยลงอริยสัตว์มากไหมมากเลยใช่ไหแม้แต่ขันของเราที่นั่งกันอยู่นี้ถูกวิจัยเรียบร้อยหรือยังหลายร้อยหลายล้านรอบแล้วแล้วก็ ตรวจดูอินทรีย์เราครบปิ๊งยังศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาก็หลายหลายล้านองค์เนาะที่ท่านมาตรวจไม่ผ่านาท้นทีใช่ไหมแสดงว่าคราวนี้ตรวจไปอีกแล้วนะแล้วจะผ่านไหมเนี่ยผ <S S 2> ่า น, นอ๋อเงียบกรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้วเนาะ อย่าไปฉีกใบสมัครถึงหรือยื่นนี่ยังส่งใบสมัครนย่ยังต้องใส่เชียสมัครไว้หลายใบดิเราเไอตรงนี้หน่ากลัวตรงนี้เลยใบเดียวเนาะถ้าสมัครไว้ใมเดียวก็น่าน่าน่าคิดน่าคิด เพราะตรงนี้นะก็ต้องต้องต้องไปพิจารณาดูให้ดีที่ถามบอกว่าอันความบริสุทธิ์แห่งจิตนะ่ยถามว่าอะไรสร้างความบริสุทธิ์แห่งจิตของพระผู้มีพระเจ้าอะไรเป็นผู้สร้างทำไมพระองค์จึงได้มหากริยาทำไมจึงได้สัพพัญญุตยานนาวราณยานเป็นต้นทำไมถึงได้พุทธายันสิบสี่เวนิกาทันสิบแปดใช่ไม เออทำไมจึงได้ทศพลยานสิบเวสารัชยานสี่อะไรสร้างมาอาราธมักสร้างมาใช่ไหมเห็นไหมอาราธมักเราเป็นประฐ า, านเป็นตัวสร้างมากว่าจะได้สิ่งเหล่านี้มาแสดงว่าอาราธมักเป็นผู้ให้อันนั้นคือเหตุใกล้ชิดใช่ไหมแล้วใครสร้างอาราธมักใช่ไหมใครเป็นคนสร้างอาราธมักอะไรสร้างมา วิปัสนาญาณของพผ้านาคาเนี่ยสร้างมาใช่ไหมวิปัสนาญาณของพผ้านาคานั่นแหละเป็นผู้สร้างอาตมักและใครสร้างวิปัสนาญาณของวิของผ้านาคาก็นาคามีมักเนี่ยเนะใช่ไม่ใช่แล้วนาคามีมักอะใครเป็นผู้สร้างมัก็วิปัสนาญาณของสกาธาคามีมักเป็นผู้สร้างมาใช่ไหมแล้วใครสร้างสกาธาคามีมัก ก็วิปัสนาญาณของโสดาบันนั่นเลยแล้วใครสร้างโสดาพอดมา ก, ก็วิปัสนาญาณของบุรุษช น, นของพระโพธิสัตว์นั่นหละของมหาโพธิสัตว์และสร้างมีไ่ไปส้สิแล้ววิปัสนาทั้งหลายเบ็ดเสร็จนะนะเอาวิปัสนาญาณของอาตธรรมากเลยเนี่ยนะนะถ้าฐานของวิปัสนาญาณ น, นั้นคืออะไรสมาธิเห็นไหมสมาหิตโตยาถาภูตังประชานาติเนยะ เมื่อะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อสมาธิตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงเนือถ้าแสดงว่าสมาธิเนสร้างมานี่มันก็เริ่ ม, เ ร, มเริ่มมองเห็นบรรทัศฐานอันนี้เขาเรียกการณมรณสิการ์นะแต่การณมรสิการ์เนี่ยไช่คิดเองนะมีการณมรสิการ์ประศึกษาประทำไปเส ร, ร, ร็จแล้ว ร, ร, ร้อยเ ร, ร, รียงเขาทำของพุทธเจ้าได้คิดลงไปหาเบื้องต้นก็ได้ใช่ไหมมองไปถึงสูงสุดก็ได้ อนุปาธาบริณิพานเลยก็ได้เนี่ยถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่ารู้จักเส้นทางเดินแล้วถ้าเส้นทางเดินตรงนี้ไม่ชัดจะชัดไหมในใจแล้วเดินไปเลยเดี๋ยวนี้นะเหมือ น, น, น, นคนเมาเลยเดินเหมือนคนเมาเลยเดี๋นี้ไม่รู้จะไปทางไหนแล้วเกาะไปทั่วตอนนี้คงไม่ไปทั่วแล้วนะเกาะติดเลยเดี๋ยวนี้นะทีนี้ก็ไล่ไปตามลําดับ ใช่ไหมสมาธิก็มีอะไรก็มีสุขนะสุขปัจสทธิปีติเนาะปลาโมดแล้วก็อวิปฏสสาสนศีลมิด้วยเะเนี้ยแล้วก็มาถึงศรัทธาแล้วก็มีการฟังประธรรมเป็นต้นกนระไลเพยธรรมลำดับอย่างนี้นะอันนี้คือการสาวิตรี่ไปตรงกับคำสอนที่บอกว่าสมาธิเกิดขึ้นมาได้กับพระศีลดังที่พระเจ้าตรัส อันนี้ไปเข้าในคัมภีสั่งยุทธ์เลยวันก่อนเปิดเปิ ด, ปดไปไปเจอคำพีสั่งยุทธ์ในกายเนะี่ยในชตาสูตรศนะีเลปฏิฐหายาเนโรสปั ญ, ญโยจิตตังปัญญจา่าภาวยังอาตาปีนิปโกพิคุส่วยมังวิชัตาเยชะตันติ <c oughs> นี่เป็นคมพี์วิสุทติมักเล่มเบลอเลยยางใหญ่เลยเดีนี้พระพุทธโฆษาาจารย์แต่งคำพีเนี้ยนะแต่งคาถาแค่นี้ยแต่งเป็นคัมภีวิสุติมักเป็นศีลนิเทศสมาธินิเทศปัญญานิเทศโรเรียนกันทัง้งบ้านทั้งเมืองเลยเรียนจบแล้วเนาะ จบยี่รอบแล้วฮีเล่ก็บางคนก็โอ้เป็นต้องเรียนคำภีนี่ก็เรียนกันยงบางคนสอนมาก็หลายรอบแล้วทีนี้ประเด็นเรียนประเด็นประเด็นถึงการสอนตรงนั้นเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าจะดีกว่านั้นก็คือนำมาใช้ได้ ใช้ได้เลยใช่ไหมขัดเกลาได้ด้ว ย, ววยถึงจะดีที่สุดตรงนั้นก็คือพระโยคาวาจรเป็นคนมีปัญญาเห็นภัยในสังสารวัตรดำรงอยู่ดีแล้วในศีลเจริญจิตและปัญญามีความเพียรมีปัญญาบริหารตนอยู่ก็พึงกําจัดหรือทางลกชัดเสียได้เนาะนี่ก็ในสังยุทธานิกายสกาทวัตในสังยุทธ์นะนะก็กําจัดความมืดที่ปกปิดสัจจะด้วยอาถรรมกยานอย่างนี้แล้วมนลทนแห่งสิ่งที่พึงรู้ทั้งก็สว่างจ้าเป็ น, นเดียวกันนะ นี่เขาเรียกสัมมาสัมพุโทโธทีนี้พอไปเข้าถึงในบทคำว่าสัมมาสัมพุโทโธเนี่ยนะสัมมาสัมพุโทโธเนี่ยที่บอกตัดสรู้ชอบได้โดยอะไรนะโดยพระองค์เองเนาะแล้วก็การที่จะเป็นสัมมาสัมพุโทโธเนี่ยตัดสรู้ชอบได้โดยตนเองด้วยแล้วก็ สอนบุคคลอื่นให้รู้ด้วยเนี่ยคําว่าสัมมาเนี่แปลว่าโดยชอบเนาะสัมมาเนี่ยโดยชอบอิติปิโสภะกวาสัมมาสมพุทธโหม้เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตัดสรู้ชอบด้วยโดยพระองค์เองเนี่ยตัดสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบก็ได้เนเโดยชอบก็ะด็ นี้เป็นเป็นนิบาต ท, ที่ใช้ในอาจว่าดีนะสับนี้เป็นนิบาตปาถาว่าสังเนะหรือสับว่าสังเนเป็นอุปสรรคท่านที่บายว่าสายังเพราะเหตุนั้นภูพาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวว่าชื่อว่าสัมมาสัมพุทธะเพราะอะไรเพราะตัดสรู้ธรรมทั้งปวงคําว่าตัดสรู้ธรรมทั้งปวงโดยชอบและด้วยพระองค์เองในข้อนี้เนะี่ยตัดสรู้ธรรมทั้งปวงก็เปลว่าพระธรรมทั้งหมดเนี่ยพวกเอามาตัดสรู้หมดเลยอ่ะพระพุทธเจ้าตัดสรู้อะไร ตัดสรู้อะไรเอ่อตัดสรู้อริยสัจแสดงให้เห็นชัดว่าทุกอย่างพุทธเจ้ามาตัดสรู้หมดเลยนนเนี่ยมองแค่นี้ยง่ายมองใช่ไหมถ้าคิดอย่างนี้เจะจะไม่ยากพระพระเถเรซไม่ตำหนิเนาะตำหนิบ่าวศักไม่ตำหนินะเออดีแล้วดีแล้ <laughs> <laughs> ตำหนิไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ยอมนวนจะบอกอ๋อปฏิติทุลาเทศ <laughs> ทีนี้ฉะนั้นตัสรุปทำทั้งปวงอะทุกอย่างที่เป็นพระธรรมทั้งหมดเนี่ยพระองค์มาตัดสรุปหมดเลยเอามาตัดสรุด้วยความเป็นนันิสสัตต์เอามาสักชิ้นี่ที่ไม่มีตัดสรุปมีไหมเอา้าสังขารวิการและขณะนิพพานบัญญัติเอาบัญญัติมาตัดสรุปด้วยไม่ใช่ไม่ไม่เอาบัญญัติมาตัดสรุปนะตรงนี้สําคัญมากเพราะเพราะจะได้ไปเข้าใจอีกเยอะใช่ไหมทําไม่ตัดสรุปบัญญัติเป็นพระเจ้าได้ไหม ไม่ได้เห็นไหมเอาแล้วเอาแล้วตเนี้ยเอาแล้วตัสลุ <c oughs> ใช่ไหมตัสลุบัญญัติให้เป็นอริยสัจได้ยังไงเอาสิแตเนี้ยเพราะตรงนี้นี่แหละถ้าพูดคำนี้ก็กระเทือนเงินในกลุ่มที่รังเกียจบัญญัติว่าเป็นสภาวะที่ไม่มีอยู่จริงเอาละสิแตเนี้ยรูปประขัน คำนี้เป็นบัญญัติไหมเวทนาขันสัญญาขันสังขารละขันวิญญาณขันเป็นบัญญัติไหมยอาวิชาสังขารวิญญาณนามรูปตรายัตนาภาษาเวทนาตันหาวปาทานภาวะชาติฉลาบรณนาเป็นบัญญัติไหมเนี่ยเ้าเรียกบัญญัติอะไรนะวิชามานเบัญญัติใช่ไหมบัญญัติที่มีสภาวะรองรับจริงๆด้วยทีนี้เวลาพระ อ, องค์ตัดสรุ้อวิชาโดยความเป็นทุกข์สัตย ตัดสรุอวิชชาสมุทัยยะคือเหตุหรือตัญหาที่เป็นเหตุให้อวิชชาเกิดโดยความเป็นเป็นสมุทัยยสัจจะตัดสรุอวิชชานิโรทะก็คือความไม่เป็นไปของตัญหาแล้วก็อวิชชาทั้งสองนั้นเป็นนิโรธาสัจจะตัดสรุออวิชชายะนิโรธคาินีปฏิปทานก็คือว่า ตัตโธอริยมรักที่เป็นปฏิปทาเป็นทางดําเนิน ท, ที่ที่มีนิโรธเป็นอารมณ์นี้เพื่อจะแทงตลอดทัดจารเวลาตัสโธอย่างนี้เบ็ดเสร็จว่าพระองค์รู้ไหมว่าอาวิชชาก็ดีอวิชชาสมุทยะอวิชชานิโรธาอาวิชช า, านิโรธาคำนีปฏิปทาคำคำนี้เป็นบัญญัติรู้ไหมต้องรู้ตรงนี้ไหมวิปัสสนาญาณเบื้องต้นของพระองค์รู้ไหมรู้ว่าเป็นบัญญัติไหม และรู้ว่าสภาวะปรามาสเหล่านั้นมีอยู่จริง<ด>ใช่หฉะนั้นการที่ว่ากว่าการที่โลกียะปฏิเวทยานที่ไปแทงตลอดโดยอารมณ์แทงตลอดทั้งปรามาสและบัญญตัติแล้วก็เพื่อจะละความลุ่มหลงโดย ท, ทางก้าวทหารในขณะอย่างวิปัสสนาคือความลุ่มหลงในปรมาสและบัญญัติเป็นอย่างนี้ท่านไม่ได้แยกกันเด็ดขาด จนรังเกียจแม้กระทั่งบรรยากให้สังเกตนะพินยาธรรมธรรมที่ควรรู้ยิ่งหรือยายทธรรมห้านั่ น, นะตัดสรุปยายทธรรมห้าตัดสรุปยายธรรมหก็มีอะไรสังขารสังขารก็ได้แก่สังคาธรรมนั่นเองธรรมที่มีปัจจัยบุงแดงนะแต่สังขารในที่นั้นเอาสังขารยังไงอเอาเอาที่จริง ที่จริงต้องบอกว่าจิตแปดสิบเก้าด้วยสังขารตัวนั้นเนี่ยใช่ไหมตัดสรุปไปจิตแปดสิบเก้าเจสิก็ต้องห้าสิบสองแล้วก็สังขารใช่ไหมสังขารแล้วก็รูปก็คือเอานิพันธ์รูปสิบแปดเนี่ยสังขารตัวเนี้ยอเอาแค่เนี้ยวิการก็คือเอาวิการรูปสามลักขณะก็คือเออลักษณะรูปสี่อุปัจจะยสันตติเชลาตานิเจตาแล้วก็นิพันธ์ แล้วก็มาบัญญัติห้าประการนี่<ม>เขาเรียกว่า<ม>เขาเรียกอะไรนะยยาธรรมห้าใช่ไหมเนี<ม>่ยพระพุทธเจ้าตัสรู้นี้สัมมาสัมพุท ธ, ธาตัสรูน้นี้สรุปแล้วก็คือพระองค์ตัสรู้ร บ, บัญญัติด้วยไอตรงนี้ก็บอกว่าหลักฐานถ้าเขาถามว่าหลักฐานยังไงว่าวิปัสสนารู้บัญญัติได้เอา้าก็ยยธรรมห้าไงสัมมาสัมพุท ธ, ธารู้เอาเราเป็นรายเราเป็นอนุพุทธาหรือเปล่า ใช่ไหมถ้าอนุพุทธะก็ตามท่านที่เฮ้ยพระเจ้ารู้ทั้งหมด เ, เราก็รู้ไม่ทั้งหมดสิใช่ไหมคําว่าไม่ทั้งหมดคือรู้ทุกอย่างนะรู้มรรยดด้วยแต่เรารู้น้อยกันเขา้าใจยังแต่เนี้ยโอ้นี่ชัดเลยแต่เนี้นะแล้วก็อนี่ไงหลักฐานเห็นแล้วพอชัดเจนเนี่ยังแต่เนี้ยใช่ต้อง คือตัดสรู้โดยความเป็นสังขารไงแต่เป็นสังขารธรรมเป็นสังขา ร, ท, ขารทุกข์แต่ไม่ใช่เป็นทุกขสัตย์ไม่ใช่เป็นทุกขสัตย์ฉะนั้นการที่ท่านกล่าวคําว่าสัมมาสัมพุทธะเพราะตัสัตย์รู้ธรรมทั้งปวงโดยชอบและด้วยพระองค์เองในขณะเนี้ยเอะคําว่าพุโทโธหรือคําว่าสัมมาสัมพุโทโธนี่มีความหมายต่างกันอย่างไรอ่ะอืม พระเถรคาถ า, าจารย์ท่านเฉลยบอกว่าเพื่อจะพารนาคุณแห่งอาสวะขย้ายานอันกระทำการละกิเลสทั้งหมดอันให้พุทธคุณทั้งปวงพระเถรคาถ า, าจารย์ก็บอกว่าคําว่าพุทโธเนี่ยคือพระเจ้าเพื่อจะพารนาคุณแห่งสัพพัญญุตยานอันเป็นไปแล้วในธรรมที่ควรรู้สิ่งทั้งสิ้นและท่านก็กล่าวต่อไปว่าสัมมาสัมพุทโธตรัตถรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ ในคํานั้นคําว่าอาสวัคคายายนหรือสัมมาสัมโพธิญาณเป็นไวยพจน์ของอาหาราัธานนารธรรมกายานั่นเองอาสวัคคายายนสัมมาสัมโพธิญาณเป็นไวยพจน์แห่งอาล า, ราธรมกายานก็แปลว่าเป็นคําที่ใช้แทนกันเนี่ยดิท่านพระเถราอาจารย์ท่านวัน ทีนี้ดวงประทีที่เขาจุดไว้ในเรือนในที่มืดก็กําจัดความมืดได้ในขณะหนึ่งก็ย่อมให้แสงสว่างแก่ผู้พี่มีจกักษุทั้งหลายก็เห็นรูปทั้งหลายได้ด้วยแสงสว่างชั้นใดอาหารตะมักขยานมีนิพพานเป็นอารมณ์ไหมมีนิพพานเป็นอารมณ์ย่อมกําจัดความมืดแห่งกิเลสนะซึ่งเกิดขึ้นในขณะหนึ่งหนึ่งย่อมให้แสงสว่างคือญาณก็คือสัพพัญยุตยานย่อมเห็นธรรมที่ควรรู้ทั้งสิ้นด้วยแสงสว่างนั้นชั้นนั้น ส่วนอาหารมรรคขยานของพระรหารเหล่าอื่นเมื่อเกิดขึ้นจะมรรคกิเลสทั้งหลายได้นี่แจกมีจุดต่างนะและยังการแทงตลอดสัจจะให้สําเร็จแล้วและยังปฏิปทาปฏิปทาเป็นต้นให้สมเร็จตามทั้งวันเกี่ปฏิปทาเบื้องต้นของท่านท่านทําอะไรมาถ้าท่านได้อาหารมรรคใช่ไหมแล้วปฏิปทาในเบื้องต้นที่ผ่านผ่านมาในสังสารวัฏแต่ท่านตั้งท่านทําอะไรมาเหมาะสมก็จะได้ ใช่ไหมนั่นแะอตาตมคก็จะให้แสงสว่างตามสภาพที่ท่านได้บางคนก็ปฏิสัมพิทายานวิชาสามอภิน ญ, ญาหกปฏิสัมพิทายานสี่อะไรก็ว่าไปบางคนอาจจะไม่บริบูรณ์ไม่ครบเลยก็ว่าไปแต่ว่ามันอยู่ที่ปัจจัยที่ท่านทำ嘛มาแต่ที่แน่ๆท่านได้แล้วอาตมาบางคนหวังบรรลุแค่นั้นพอใช่ไหมไม่ต้องการอะไรพิเศษแล้วต้องการเดินตอกต่อย ต, ตอยตกต่อยตามถนนเนี่ย มื่อีพูดไปเหมือนกันนั่นไม่ใช่นะท่านไม่ใช่เป็นแบบนี้แต่พูดให้ฟังเราเออท่านไม่ได้มีความวิวเศษอิทธิปฏิหารใดๆเกิดขึ้นเอาไหมถ้ า, ารรลแบบเนี้เอาไหมอโอ้มากน้อยอย่างเ <laughs> ขาให้มากเขไม่ให้มากน้อยในกุศลและธรรถถมกุศ <laughs> ล <laughs> ไม่มากน้อยเลยถือไม่ใช่ไม่ใช่น้อยเลยเนะกว่าจะได้นี้มาเนะ่ ไม่ฝากชื่อไว้ในโลกใบนี้อืเขาได้ศึกษาประวัติเลยนะไมไ่ศึกษาประวัตินน่าทึ่งเลยทีนี้อย่าลืมนะคนที่ศึกษาประวัติของท่านเหล่า น, นี้เยอะตอนเนี้ยสว่างจ้าทุกภพในการมาพบรูปภพและรูปภพใช่ไหมเขาอยู่ในใจของท่านนีกหลายกด หลายกว่ท่านไม่ต้องมานั่งท้องนั่งเรียนอย่างเราด้วยท่านชัดเจนเลยเพราะความจำของท่านไม่มืดมนเหมือนเราเพราะกิเลสในใจท่านไม่มีอะ่ะเจ๊ะมการจำอดีตของท่านอิงเก่งมากชัดเจนมาแล้วก็แต่ไม่สามารถละโทษพร้อมทั้งวาสนาได้ไม่สามารถจะยังทำที่ควรรู้แม้ทั้งสิ้นให้สว่างสวัยได้ย่อมละอารัฐมรรคที่กาลังเกิดขึ้น เพราะปฏิปทาที่พระผู้มีพภาคบำเพ็ญบริบูรณ์แล้วไม่มีส่วนเหลือย่อมยางกิเลสพร้อมทั้งวาสนาโดยไม่มีส่วนเหลือนะสามารถจะยังมณฑลแห่งเยะยธรรมทั้งสิ้นให้สว่างโดยไม่มีส่วนเหลือนี่คือพระเจ้านะเพราะกิเลสพร้อมทั้งวาสนานั้นละได้แล้วเนาะโดยไม่มีส่วนเหลือส่วนอาธ า, ามัคเพราะเหตุที่เกิดขึ้นแก่พระอรหันต์เหล่าอื่นย่อมไม่สามารถให้สว่างสวไสได้โดยไม่มีส่วนเหลือฉะนั้นนะอาธามักนั้นย่อมได้ เพื่อจะกล่าวว่าอัตตะวักบ้างโพธิบ้างแต่ไม่ได้เพื่อจะกล่าวว่าสัมมาสัมโพธิไม่ได้ที่จะกล่าวว่าสัมมามเพราะแทงตลอดโดยมีส่วนเหลือก็คืออัตมะวักนั้นเกิดขึ้นแล้วแกพระพุทธเจ้าชื่อว่าสัมมาสัมโพธิเพราะทำมนทนแห่งเยยธรรมทั้งสิ้นให้มีแสงสว่างเป็นอันเดียวการเกิดขึ้นแล้วโดยไม่มีส่วนเหลือย่อมรู้ตามที่ปรารถนาด้วยกามอาวจรคือได้โดยมหากริยาเนะี่ยทีหลังอ่ะ ในภายหลังเพราะกระทาให้สว่างสวัยเป็นอันเดียวกันกับอาหัตมักตรงนี้ท่านก็ท้วงนะท่านท้วงบอกว่าเอ๊ะเมื่อเป็นเช่นนี้อาหัตมักเนี่ยนะจะได้ววหารว่าสัรพยุตวายานบ้างกระทําเยียวยธรรมทั้งสิ้นบ้างให้มีแสงสว่างเป็นเดียวกันกับอาหัตมักคนนั้นย่อมไม่ได้วัวหารนั้นเพราะมีขนาดเดียวกันและก็เพราะมีที่ผ่านเป็นลมเดียวเนี่ยอุปมาอย่างนี้ท่านอุปมาบอกว่าไอ้ดวงประทีปเนี่ยดวงไฟนี่นะ ที่เรานำมาแล้วเนี่ยเพื่อประโยชน์แก่แสงสว่างดวงประทีท่พิคเขาจุดในเรือนยามรัติการย่อมกำจัดความมืดในขณะหนึ่งย่อมกระทำพันธ้ามีหม้อและผ้าเป็นต้นที่มีอยู่ในเรือนทั้งหมดให้มีแสงสว่างเป็นอันเดียวเนี่ยดวงประที่นั้นแม้จะทำแสงสว่างอยู่ภายในย่อมไม่เห็นพันท้าทั้งหมดหรือบางหรือเห็นบางส่วนนะแต่ผู้มีจักสุอื่นย่อมเห็น เขาแม้เห็นอยู่อย่างนั้นย่อมเห็นแต่ละอย่างแต่ละอย่างตามที่ปรารถนาชั้นใดอาตมัคย่อมย่างเยงยธรรมทั้งสิ้นให้สว่างสวายด้วยการลกิเลสอันมืดมิดนะั่นที่เป็นเหตุแห่งความมืดมิดเนะี่ยย่อมไม่รู้สิ่งนั้นเป็นแผนกแผนกย่อมรู้ทุกอย่างด้วยสัพัญุตยานก็หมายความว่าอาตมัคไม่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะเพราะเกิดขณะเดียวแล้วก็ในขณะนั้นมีนิพานเป็นอารมณ์ใช่ไหมเป็นแสงสว่างจ้าได้ อันสมควรแก่การนึกในภายหลังที่ปัญหาคือว่าสัพพัญยุตยาในเวลาเกิดขึ้นหลังจากได้อรธัตมาร์เบียเศษเนี่ยสัพพัยุตยานี่แหละ ส, ละสมควรแก่การนึกในภายหลังด้วยอนุภาพแห่งใดอารหมาร์กนั่นแหละเป็นอุปนิสัยปัจจัยดังว่ากล่าวกันไปกล่าวกันมาเบียเศจแท้ที่จริงก็คือในกำมูลสันดานของท่านบูนั้นของของพระผู้มีภาคนั่นแหละเปรียบเหมือนบุคคลผู้ได้ฌานเนี่ย คนใดคนหนึ่งนั่งอยู่ในที่แพ่กสินด้วยคิดว่าเราจะดูรูปทั้งหลายในป่าหญ้ามอพาลเป็นต้นมีเนื้อที่ประมาณเท่านี้เข้าฌานตามลำดับมีกระสินเป็นอารมณ์ตอนเข้าฌานมีกสินเป็นอารมณ์ไหมมีปฏิภาควิมิตเป็นอารมณ์ออกจากจตุจารแล้วไข้ควรด้วยกาเมาวาจรจิตบอกว่ารูปจงปรากฏในระหว่างนี้อธิษฐานอีกพออธิษฐานเบสเสร็จก็รูปก็ย่อมปรากฏพร้อมด้วยกับการอธิษฐานนี้ชื่อว่าอธิษฐาน ทีนี้เป็นอภิญญาจิตนะทิฐานเนี่ยเป็นอภิญญาจิตก็จิตดวงหนึ่งนั่นเองมีรูปเป็นอารมณ์เป็นรูปเปล่จรจุตตัฌานก็จิตนั้น่แสงแดงให้เห็นสามัญญรูปแล้วก็ดับไปพอเห็นปุ๊บดับไปแล้วไม่สามารถจะอยู่แยกแยะเป็นแผนกแผนกแยกแยะรายละเอียดได้เข้าใจนะมรรคจิตก็อย่างนั้นนั่นแหละเพราะมีขนาดจิตเดียวเมื่อจิตนั้นดับแล้วเธอก็นั่งตามสบายในภายหลังก็เห็นรูปที่ ที่จิตนั้นส่องสว่างแล้วตามสบายได้จกักรสูปกติแปล ว, ว่าอภิญญาจิตนําทางให้แล้วแต่การมาคิดเป็ น, ผนแผนกมาไข ค, ควรเป็ น, ผนแผนกไข ค, ควรไปตามวิถีต่างๆเหล่านี้เป็นการมอวจรจิตมองเห็นไหมว่ามหากิริย า, ยานะสัมปยุตจิตที่เป็นสัพพิเยตยานะคิดได้เป็ น, ผนแผนแกแผนกคิดได้รวดเร็วคิดได้มากมายคิดได้ยังกว้างขวางตามที่อาัะธรรมักของท่านนั้นเป็นอุปนิสัยไว้ให้ แล้วไม่เสื่อมคำว่าไม่เสื่อมไม่ใช่ไม่เกิดดับไม่ใช่ว่าโอ้โหพอได้อายุนานขึ้นนานขึ้นเนี่ยสัพพัญญตยานก็เริ่มเศร้าหมองลงคิดได้ไม่ไกลอย่างนี้ไม่มีเลยไม่มีเลยโอ้โหน่าสะใจมากเนี่ยเนี่ยนี่นี่เป็นไปลักษณะอย่างนี้ทีนี้ คิดได้ตามสบายว่างั้นในที่นี้เป็นหิมะที่นี่เป็นภูเขาที่นี่เป็นแม่น้ําที่นี่เป็นแม่น้ําคงคาเหล่านี้เป็นสานี้เป็นต้นไม้นี้เป็นผลไม้นี้เป็นดอกไม้นี้เป็นเรื่องนั้นอภิญญาจิตมีหน้าที่ส่องให้เห็นรูปพร้อมกันโดยทั่วไปการมาวจรจิตมีหน้าที่ในการจําแนกเหมือนอาธามะกจิตเช่นเดียวกันอภิญญาจิตก็ทําการส่องให้เห็นเยียรธรรมพร้อมพร้อมกัน ย่อมเป็นไปตามที่ปรารถนาด้วยการมาวาจรจิตในภายหลังในขณะนั้นนะนะสัพพัญุตยานของพระตาถาคตเป็นชไหนก็คือสัพพัญญตยานพระตาถาคตรู้สังฆ ธ, ธรรมและอสังฆ ธ, ธรรมทั้งปวงไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วก็ชื่อว่านาวรานัญยานเพราะไม่มีอะไรขีดขวางในยานนั้นจะไปด้วยกันนะสัพพัญญ ย, ย, ยานกับนาวรณญยานเนี่ยคือสัพพัญญตยานก็ทําจิตหลังจาก หลังจากอรารมรรคดับไปแล้วไม่ต้องไปเข้าฌานเป็นฐานในการคิดสัพญ ญ, ญาณอยู่ของพระเจ้าซึ่งต่างจากพระอรหันต์ทั้งหลายเวลาจะคิดอะไรกว้างขวางต่างๆนี่ก็อาจะตุตชะฌานเป็นฐานเนาะแล้วที่ฐานจิตต้องการจะทราบอะไรสมมติจะทราบต้องการจะทราบ ว, ว่าเนี่ยฟังธรรมอยู่ในจิตจดจ่อไหมหรือเป็นใบกับพระธรรมไหมใช่ไหมหรือมีการเผือตกขณะอยู่เรื่อยเลยเนี่ยนะท่านก็นรู้และวเมื่อเข้าจตุตชฌานปุ๊บเนี่ยถึงจะได้ ถ้าพุทธิย่าไม่รูปป้ป๊อปป๊อปป๊อปป๊อมัพระองค์อาจจะหยุดเลยก็ได้ใช่ไหมแล้วสกิตรีใครนั่งเมื่อกี้หลับหรือเปล่าอะไรคือพวกนี้ น, นะแต่พุทธิย่าคนฟังเสียงพุทธิย่าไม่มีหลับแต่ฟังเสียงธรรมาหลับเยอะตรงนี้ก็นี่คือสรรพยุติยานเพราะต า, าคตรู้ธรรมทั้งเป็นที่อดีตทั้งปวงนะสัพพดิญา น, นี่รู้อดีตทั้งหมดไหม รู้ทั้งหมดที่เป็นชื่อว่านาวรายานเพ่อไม่มีอะไรขีดขวางในพยานนั่นเลยคิดอดีตปุ๊บก็ไม่มีอะไรมาขวางอะอย่างเรามีไหมเยอะไหมเยอะเยอะมากเลยคิดไม่ออกเลยใช่ไหมซาพริยานเนี่ยเวลาจะตะถาเปเพราะพระตถาคตรู้ธรรมในส่วนอดีตทั้งพวงแล้วก็รู้ธรรมในส่วนของปัจจุบันทั้งพวงอนาวรา ย, าายานก็ไม่มีอะไรมาขีดขวางเอาปัจจุบันให้รู้ทั้งหมดไหมไม่หมดหรอกรู้ใกล้ๆแค่นี้ หันหน้าไปที่นี่ข้างหลังก็ไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นสะพายยุทธจานรู้หมดเลยเดินไปข้างหน้ารู้รอบหมดเลยไม่ใช่รู้แค่อยู่ปัจจุบันเนี่ยรู้ตอนนี้ที่อเมริกาเป็นยังไงที่อิรักเป็นไงอิหร่านเป็นยังไงอาฟกานิษฐานเป็นยังไงอินเดียเป็นยังไงปากีสถานเป็นยังไงฟุบท่านน้อมนึกจะรู้อะไรรู้ทันทีหมดเลยไม่มีอะไรขวางเลยความมหาศจา์ขนาดนั้นเนี่ย แล้วรู้ถึงกระแสจิตของสัตว์ด้วยว่ากำลังคิดอะไรละคิดอะไรกันอยู่กำลังทํากรรมอะไรอยู่รู้ขนาดละเอียดระห่อมมากอยากได้ไหมละ่ะยี่สิบประสงค์ไขสนใจไหม <c oughs> ใช่ไหมไม่ธรรมดาเนอะจะไหมนี่ยี่สิบปอร์เซ็นต์แต่เวลาท่านนะ <c oughs> เวลาท่านตรวจเนี่ยท่านตรวจอย่างนี้ใช่ตรวจดูขันไกลที่ไหนไปแล้ว บางทีไม่มีใครรู้เลยกลับมาถึงบอกว่านนท์เงี้อย่างนี้เป็นต้นนะนะที่ไม่จาลึกลงไว้เยอะมากที่พระองค์ทางานในการโปรดสัตว์ในการได้ตัดสินใเนี่ยโอ้ถ้าอย่างงั้นจะบันทึกไว้ไหมอ่ะไม่ไหวเลยพระองค์ทากิจตลอดเนี่ยหม่น่าทึ่งจริงนะาศาสต์สรางอนะย่างนี้ยเข้าใจใช่ไหมนี่เป็นอย่างนี้งนั้นสัพพัญญุตยา น, นี่จะเป็นไปลักษณะอย่างงี้ โอ oh, ้จริงๆถ้าพาลานาเรื่องสรรพยุตยานีเยอะเลยเนี่ยนี่ต้องการให้เห็นคุณของพระพุทธเจ้ารู้ตาและรูปทั้งหลายใช่ไหมทั้งหมดชื่อว่านาวรยานพราะไม่มีอะไรมากีดขวางว่าพราะพเจ้าจะกําหนดรู้ตาเนี่ยหมดเลยเอามาทําเป็นรั้วลิขสัตว์หมดเลยเอะสัมม า, า, ม ส, มาสัมพุทโธนี่นะเอาจักขูเนี่ยใช่ไหมเป็นทุกษัตริย์เนี่ย จักขะในสากละจักรวานทั้งสิ้นพระองค์เอามาประชุมแล้วเอามาวิจัยด้วยความเป็นทุกข์หมดเลยตัณหาที่เป็นปใจใัจจัยจักระสาสตรเกิดก็รู้หมดวิจัยหมดนะว่าจักขรงแต่ละบุคคลเนี่ยมีตัณหาบวกกับกรรมเท่าไร่เท่าไร่เนี่ยรู้หมดนะแล้วจะจะได้จักระต่อไปอีกเท่าไหร่จักระที่จะมาเกิดนั้นเป็นจักระของเปรตอสุรกายสัตว์ในชาลิสัตว์าาตนโลกหรือของมนุษย์ของเทวดาของพรหมเนี่ยรู้ แล้วการประเภศไหนหนอให้จกกักขูระเภศนี้นะแล้วของสัตว์ทุกประเภทด้วยนั่นแหละสัมมาสัมพุโทโธไม่ใช่อย่างที่เรามานั่งท่องกันจักขูเป็นทุกข์สัตว์จักขูสมุททยาเป็นสมุททยาสาจาัจจาจักขูนิโรธเป็นนิโรธถสาจาัจจาจักขูนิโรธคามินีบริพทาเป็นมรรคสัตว์แล้วก็ท่องกันได้แค่นี้แต่สัมมาสัมพุทธโธนะ่ะเอาจักขูทั้งสิ้นมาวิจัยประชุมลงอริยสัตว์หมดเลย มาสะจั่์ไว้ละถอดลูกตาแต่ละคนมาดูเลยว่าเรียงดูเลยว่างั้นเถอะว่าแต่ซี่แต่ละซี่เนี่ยมาจากกรรมอะไรอ่ะวิจัยขนาดนั้นเ น, นนะีในเนี่ยเกิดจักรกรรมจิตอุตูอาหารยังไงกรรมเป็นปัจจัยจุดนี้นี่จิตเป็นปัจจัยนี้อุตูเป็นปัจจัยนี้อาหารเป็นปัจจัยอย่างนี้คือถอดเบ้าตาถอดดวงตาออกมาวิจัยหมดทุกดวงตาแล้วมาประชมวิทยาศาตว์หมดแล้วของสัตว์โลกในสนายกุญแจกวาน นี่การจะตัดสู้เป็นสัมมาสัมพุิโธเนี่ยขนาดนั้นเราแค่จะตาเราอย่างเดียวก็ไป็นที่ตั้งโมหะอยู่ในหลงอยู่กันใช่ไหมแต่ก่อนเนะเรามองอุ้ยเดี๋ยวเรามองตาเราไม่เคยมองถึงโครงสร้างตาเลยเราเห็นจกักรคูเราเรียนจกัรรนจกรคูศาสตร์กันมาแทบหนตั้งนานใช่ไหมเราไม่เคยเรียนศาสสัมบารจักขคูเราไม่เคยเห็นว่าจากักรคูมันเป็นทุกข์ยังไงเลย อย่างที่ว่าเมื่อวานใช่ไหมถ้ามาโหดูอย่างเราต้องไปแค่ไปแกะดูจริงๆของจริงเลยนะมานั่งดูมานั่งวิจัยบอกโอ้โหเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยแล้วก็มาว่าใขว่ควรานมาพิจารณาอีกอีกรอบหนึ่งพิจารณาใหม่พิจารณาใหม่ก็เห็นว่จาจักขูพร้อมทั้ง ส, สัมภาระจักขู่โอ้โหไม่งามจริงๆไม่งามจริงๆเราไปมองว่าต่างงามได้ยังไงใช่ไหมยช่เออแล้วเป็นที่ตั้งของตันหาเรามาเยอะมากบางครั้งก็ ทิถีบ้างมานะบ้างโทสะบ้างเห็นตาบางคนเรากดเลยนะ <c oughs> นี่ด้วยการที่เราไม่เคยรอบรู้ไม่เคยเอาตาของเขามาวิจัยดูค ว, ว่ามีทุกข์กัตริย์จริงๆว่าตาเหล่านี้มันมาจากสมูทยัยสมูทัยนะั่นบวกกับกุศลกรรมบ้างอากุศลกรรมบ้างแล้วแต่ตาของสัตว์ใช่ไหมตาของมนุษย์หรือตาของเปรตหรื อ, อสุรกายหรือสัตว์ดิจฉาหรือสัตว์นรกหรือตาตาของเทวดาอย่างเงี้ยเขาแยกแยกแยกรรมดํากรรมขาวไม่ออกนี่ผลของกรรมดํากรรมขา ว, วก็แยกไม่ออกนี่คือจาก คําว่าสัมมาสัมพุโทโธเนี่ยวิจัยเกลี้ยงหมแล้วแล้วอย่างนี้ตัณหาจะเกิดไหมยำเดี้ยงไม่เกิดเลยใช่ไหมบอกโอ้คนนั้นมองคอนเอ่ะคอนคอนไปที่ใช่ไหมเรารู้เนี่ยว่าการมองคอนเนี่ยไหตาที่มีการมองคอนแล้วก็ที่มันมีการกลิ้งไปกลิ้งมาเนี่ยกลิ้งไปกลิ้งมามีโทสะเนี่ยโทสะเป็นตัวเป็นตัวคิดน่ะเป็นจิตตะชโลภไหม เมื่อจิตแต่เลุกล่าวคือจิตแต่เชะวาโยธาพัดผันเนี่ยก็ทําให้ตานั้นมีการหมุนกลับไปกลับมาแล้วค้อนกลับไปกลับมาที่มาเรียกสำนวนว่าค้อ น, นแล้วก็เห็นโอนี่เห็นไหมท่านบุญนี้ใช้ตาทําอกุศลกรรมอยู่แล้วโอ้โหประทุศลายตาตนเองแท้ถามว่ากรรมที่เราสร้างตาเข้าไว้เนี่ยไม่รู้กี่ล้านกี่โกดดวงยวงตาที่เราทําเข้าไว้เนี่ยพอปฏิสนธิใหม่เขาก็มายัดใส่ปุ๊บหนี่ ที่คุณทําไว้ทั้งนั้นก็ามาโอ้โหตาตามสภาพนั้นแหละกรรมมันจัดสรรใจปุปุ๊บปุ๊บปุ๊บหมดเลยใส่หมดเลย mm hmm. นี่ชอบตาแบบนี้ดีนะก็ใส่ให้ใส่ให้ชอบหูแบบนี้ก็ใส่ให้ใช้จมูกใช้เอาฟันแบบนี้ใช่ไหมเอาใส่ให้ชอบลิ้นแบบนี้เอาใส่ให้ใช่ไหมนี่กรรมจัดสรรมาอย่างงั้มีตัณหาไงสมุทัยไง้บวกกับกรรมไงใช่ไหมเอวิชาก็ปิดดีละดีแล้วตาแบบนี้แจ๋ว <c oughs>